ที่ชื่อว่ากองทัพได้แก่กองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพคนเดินเท้าช้างหนึ่งเชือกมีทหารประจําอยู่12นายม้าหนึ่งตัวมีทหารประจําอยู่สนายรถหนึ่งคันมีทหารประจําอยู่สนายคนเดินเท้ามีทหารแม่ทนูสีนายิกสูไปเพื่อจะดูกองทัพนั้นต้องอบัตทุกกฏยืนดูในระยะที่พอมองเห็นต้องอบัตปาจิตติผลวิสัยที่จะเห็นแต่พยายามดูจนเห็นต้องอบัตปาจิตติ คำว่านอกจากมีเหตุผลที่สมควรคือยกเว้นเมื่อมีเหตุผลที่สมควร